ได้ประพันธ์เป็นคถาไว้ว่ากาโลเยเตมหาวีระอุปชามาตุกุชิยังสเทวะกังตารยันโตพุทธสุอมตังปะทังข้าแต่ท่านมหาวีระบัดนี้ถึงเวลาของท่านแล้วที่จะลงไปเกิดนิท้องของมารดาเพื่อจะได้ตรัสรู้อมตะธรรมและช่วยเหลือสัตว์โลกซึ่งพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้พ้นจากความทุกข์ต่างๆด้วยเถิดข้อความจาก กุตการนิกายพุทธวงศ์พระไตปิฎกเล่มที่ส3สาขอให้สังเกตว่าแม้แต่พระโพธิสัตว์ซึ่งพระองค์ได้ส่งบำเพนบารมีมาก็เพื่อที่จะช่วยเหลือสัตว์โลกโดยตรงถึงแม้เทวดาจะไม่เชิญแต่เมื่อถึงเวลาพระองค์ก็ต้องเสด็จลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อช่วยเหลือสัตว์โลกอย่างแน่นอนแต่ถึงกระนั้นพวกเทวดาทั้งหลายก็ยังมาเชิญ